أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل ดุลิลลาฮ์รับบิลกาลามีนอัลลอฮ์มะซลิวะซัล سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم, أن لم تغفر لنا وترحمنا نكوننا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله สุด ข, ขอบคุณอ a นะครับสำหรับหลายๆเรื่องที่เราได้รับจาก Allah سبحانه และ تعالى ที่สำคัญที่สุดก็คือการได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาความเมตตาของพระองค์ในโลกดุนยานี้อ s Allah سبحانه และ ت อทรงเมตตาเรามีความปลอดภัยทั้งในชีวิต ทรัพย์ ส, สินของเราไม่เหมือนกับอมม์หรือประชาชาิคนก่อนๆ่อนยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมอัลฮัมดุลิลลา์ที่เราได้เป็นประชาชิของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนบีได้บอกว่าอุมมาิีฮ ه อุมมตนมรพ ومة ليس في الدنيا أو كما قال ุมมต์ของฉันเป็นอุมม์ที่ได้รับความเมตตาจาก Allah س, م ه ه م ي ي س ب ح ا ن เมตตาอย่างไรครับ อาราตยาเมตตาอุมมหมะของทา น, นาบมุฮัมมัดด้วยการที่พระองค์ไม่ทรงทําให้อุมมะนี้ถูกลงโทษในโลกดุนยาไม่เหมือนกับอุมมะในยุค ก, ก, ก่อนๆอุหมะกลุ่มชนของท่านนาบีนูอัลฮิสซลามถูกลงโทษด้วยน้ําท่วมใหญ่กลุ่มชนของนบีฮูดพวกอาดก็ถูกลงโทษด้วยลมที่พัดทุกสิ่งทุกอย่าง กลุ่มชนของนบีซ่าเลยด้วยเสียงกัมปนากลุ่มชนของนบีลู่ด้วยการพลิกแผ่นดินและกลุ่มชนอือ่นๆนะครับฟิรอาวนกด็ดีแต่อุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นอุมมม่มมาจนมารฮูมาไม่มีการลงโทษเหมือนกับอุมมะคนตอนก่อนแต่จะมีการลงโทษเล็กๆน้อยๆ ก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็นการเตือนให้พวกเราทุกคนได้สำนึกอย่างเช่นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรานะรเพิ่งผ่านเมื่อเมื่อวานนะปะเมื่อวานเมื่อวานซืนสุริยุปราคาวันไหน เมื่อวานใช่ไหมลืมแ <laughs> <g polit ica> ล้ว س ب ้านอัลลอฮ์เหตุการณ์การเกิดสุริยุปราคามีความเชื่อมโยงกับชริอะต์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ท่านน บ, บีสุลตานะในครั้งที่เกิดสุริยุปราคาในยุคของท่านท่านรีบไปละหมาดแล้วก็ละหมาดยาวนานมากนะครับ จนกระทั่งเหตุการณ์สุริุปราคานั้นได้คลี่คลายหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นมาคุตบะตักเตือนซอฮาบะของท่านนะครับให้เริลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุลแให้ให้เริลึกถึงวันอัคยรัตวันเคยร์มัตที่อัลลบฮฺจะจะทำให้พวกเรานั้นได้กลับไปหาพระองค์ทั้งหมดทั้งวงนั้นเหตุการณ์ต่างๆไม่เฉพาะเหตุการณ์สุริุปรากาอีกหลายเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ ต้องการตักเตือนเรานะครับการตักเตือนของ Allah Subhanahu Wataala นั้นนอกจากพระองค์จะตักเตือนด้วยอัลกุรอานด้วยคําสอนจากวะฮยューที่ท่านนาบีสุลต่านของเราสัลลัมได้เอามาพูดมาตักเตือนยังการตักเตือนประจุนั่นคือการตักเตือนด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดพายุเก <mm ิดภัยพิบัติทั้งหมดนั้นเป็นการเตือนจากอัลลอ์เตือนเล็กๆน้อยๆนะครับว่าฮารัลเฟซาดุฟิลบรดี والبحر บีมาบีมาค سبتأيد الناسليذيقهمبعضالذيعمل อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าให้พวกเขาได้ลิ้มลองส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดตาอัลลอจะลงโทษจกบาปทั้งหมดที่เราทาเนี่ยมา تركعلىظهرهامندب พระองค์บอกว่าจะไม่ให้เหลือบนหน้าแผ่นดินแม้แต่มดสักตัวแล้วอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนั้นเตือนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้กลับเพื่อให้พวกเขากลับตัวกลับตนไปสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้รับการเตือนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วไม่กลับตัวกลับตน คนผู้นั้นเป็นบุคคลที่อันตรายคนผู้นั้นเป็นบุคคลที่ดื้อด้านนะครับเป็นห่วงว่าชีวิตของเขาบั้นปลายของเขาจะจบลงด้วยการจบลงที่ไม่น่าไม่น่าพิสมัยนะครับไม่น่าประทนาเท่าใด้ในวันอาครานะครับ Allah อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะให้พวกเราได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใครที่เป็นผู้ปฏิเสธอัลลอ์ ก็จะได้รับการลงโทษจากพระองค์ใครที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ทราบว่าเมูฮิดสัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเหมือนกับที่มักลุกอื่นก็ไม่มีใครทราบจินก็ไม่ทราบรัสูลท่านัท่านน บ, บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมเองก็ไม่ทราบนะครับแต่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องราวที่เราจะได้เรียนในวันนี้ นะครับเป็นตอนท้ายจากโซร์ทุลจินนะครับเป็นประโยคสุดท้ายเป็นกลุ่มอายัดสุดท้ายละเราจะมาดูกันว่าพระตะไรจะจบปิดท้ายโซร์ทุลจิ น, นเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเด็นอะไรนะครับอายัดที่ยี่สิบห้า สามสิบหกครับยันที่ยี enfin an> ่สิบห้าหน้าสามสิบหกนะฮะเอ้า قل إن أري أقرب ما ت ع د و ن أم يجعل له ربي أ م د ا م عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ل ي َ ع ْ ل َ م َ أن قد َ أبلغ ََ رسالات ربهم وأحاط رِسَالَاتِ َ بما َِ لديهم ِ وأحصى ََ كل شيء عددا ََ الحمد لله ا ل إ د ق ب ما تعود أم يجعل له ربي أمة จุงคลาวเอดมฮัมมัดนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายในสุระอัลิน ตั้งแต่อายัดแรกนะตั้งแต่อายัดแรกมาเลยนะครับกุ้นพุ้นนะุ้นอายัดแรกแล้วก็ยาวมาจนถึงอายัดที่ยี่สิบยี่สเอ็ดยี 20, ่สิบยี่สิบเท่าไหร่นะมีคุลกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งทั้งหมดนะครับมีคำสั่งให้กล่าวให้ประกาศแก่ประชาชาติ ของท่านนบีนะครับถึงห้าครั้งอันนี้เป็นกลครั้งสุดท้ายละในสุรตุลจินกลจงกล่าวเชิญมุฮัมมัดอินอัริอักรีบุมมาตูอัดูฉันไม่รู้อัลลออักบัรชัดมากมีใครกล้าที่จะพูดอย่างนี้บ้างไม่รู้เป็นถึงนบีนะประกาศว่าไม่รู้แล้วเราอ่ะคนที่ไม่ได้ถึงขั้นนบีเนี่ยรู้ทุกอย่าง อัลลอฮ์ไม่กล้านะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่กล้าไม่อะไรทําไมอ่ะทําไมเราไม่กล้าที่จะบอกว่าเราไม่รู้อุลามะบางท่านบอกว่าละอัตเรนิสฟุลกิลมคาว่าฉันไม่รู้คือครึ่งหนึ่งของความรู้อัลลอฮ์ทูบิละถ้ารู้ทุกอย่างแสดงว่าไม่รู้ ถ้าไม่รู้แสดงว่ารู้และอิละฮะอิละลลอฮนะก็บอกว่าคนที่เรียนแรกๆเนี่ยมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วอยากจะบอกทุกอย่างอยากจะประกาศทุกอย่างกับคนอื่นนั่นแหละมันมีปัญหานะส่วนใหญ่เราคนที่เรียนศาสนาต้องระวังหน่อยหนึ่งพอเราเริ่มเรียนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างอรู้ไม่กี่อย่างแต่รู้สึกว่ารู้ทุกอย่างก็เลยฟัดตวัวทุกอย่างได้เลย แต่พอเรียนไปอีกสักพักหนึ่งอะเริ่มแล้วเริ่มที่จะมองว่าตัวเองไม่รู้แล้วพอรู้หลายอย่างเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยสุขานะลละอันนี้ต้องระวังนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกสั่งจากอัลลอฮ์สุบฮานตะอาลฮิบอกกับประชาชาของท่านว่าอินเอดรีฉันไม่รู้ไม่รู้อะไรอักร um ีบุมมาตูอัลล สิ่งที่อัลลอฮฺสุบไบร์ตั๋ลลัสัญญาว่ามันจะเกิดขึ้นมันใกล้เข้ามาแล้วอัมยะจัลูละหูรับบีอามัดะรูอว่ามันยังใกลอยู่อีกท่านอบดาะหรู้ไหมไม่รู้สิ่งที่อัลลอฮฺสัญญาคืออะไรนะก็คือวันเกยียร์มัดหรือวันเกียร์มัดก็คือวันที่จะจบลงท่านอบีไม่ทราบหรือชัยชนะของบรรดาผูา้ศรัทธาและการที่บรรดา มุชริกินอัลกาฟิรินอัพลูชิรกจะได้รับการลงโทษจาก Allah Taala เมื่อไหร่ท่านนาบีม่รูเนะมือม่อเมือม่อเมื่อครั้งที่แล้วเราบอกแล้วนะเราบอกแล้วอายัดมันนี้อะไรอายัดที่มันเกี่ยวข้องกับอายัอที่ผ่านมานะหน้าที่ของท่านนาบีสุลตาร์ละซัยลัมก็คือการการชี้แจงการบรรเลาไม่ใช่การให้ฮิดายัดไม่ใชใ่การให้ดอลละอะแก่ผู้ใดทั้งสิ้น มาบอกให้ชัดเจนแล้วไม่มีหน้าที่อย่างอื่นคําถามที่ว่ามาาื่อไหราลวะบเป็นคำถามยอดฮิตมากเมื่อไหร่วันเกียร์มักจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคําถามที่สุภานัลนแหละคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอส์มุฮัมมัดละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยคำถามนี้จะเป็นคําถามแรกๆที่เขาตั้งเลยถ้าท่านนาบีเป็นรอซูลจริงว่าเมื่อไหร่วันเกียร์มักจะเกิดขึ้น อันนี้จะเป็นคําถามตั้งแต่วันวันแรกที่ท่านนบีทําหน้าที่ในการเป็นรอซูดเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ไอคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออิสลามไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดไม่ยอมศรัทธาต่อ Allah เงี้ยมักจะมีคําถามเนี้ยยิงถามเราตลอดเวลาเฮ้ยจริงเหรอแล้วเมือ่อไหร่อ่ะจะถึงวันสิ้นโลกเราจะตอบอยังไง <laughs> เราจะตอบอยังไงอีกสิบปีตอบอยังไงอีกร้อยปีตอบได้ไหมครับ มาเธอแห่กันวะอิ่งกุลตุ้ซอบตีอันนี้เป็นคำถามที่บรรดารซรลทุกคนหรือน บ, บีของเราโดยเฉพาะน บ, บีของเรานี่โดนถามแล้วก็ชะงักเลยแล้วก็ต้องตอบแค่คำตอบเดียวเท่านั้นอินอะรีฉันไม่รู้แม้กระทั่งสาฮาบะมีสาฮาบะคนหนึ่งนะครับเนี่ยมีฮะดีสในอิมนุคเซีเอามาอธิบายดโดยเป็นฮะดีสที่สวยงามมาก เป็นฮะดิษที่ทำให้บรรดาสอฮาบะทุกคนดีใ จ, จกับฮะดิษนี้มีสอฮาบะคนหนึ่งนะครับบางเรืร่องเขาบอกว่าเป็นอัลอาโรบีเป็นชาวเบดูอินเป็นคนที่มาจากทะเลทรายมันถามท่านนาบีซัลลัลลอฮุซยด์ละมุลลามว่ายาหยยมห์มัดเมื่อเที่ยงรูยังหัมมัดเมื่อไรเมื่อไรวันเกิด ท่านอบีก็เลยตอบว่าวัยหักวัยหักเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการพรามหน่อยๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชด่าไม่ใช่อะไรนะเป็นการตําหนิแบบแบบน่ารักๆนะ <laughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบโผล่เนี่ยต้องแบบวัยล้นวัยล้นวัยล้นว ล, น, วลนก็คือแบบแบบโผลเหมือนเจ้ล า, าลาบอกว่าวัยล้นริ ล, ลมุกัดดีบิน อะไรอย่างนี้อันนี้แบบโหดแต่แบบน่ารักน่ารักเปลี่ยนตัวลามเป็นตัวฮะเราใช้ได้กับพักพัวกันเองนะถ้ามีใครที่แสดงคำถามคำถามน่ารักน่ารักแล้วใครที่คำถามแบบคำถามมาแบบคาถามที่มีคนถามนะเราก็เราก็ตอบไปด้วยนะครับแบบพรามหน่อยๆว้ยฮัก มึงไม่น่าถามคําถามนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคําถามที่เป็นการตอบแบบอันกต ร, รมามหน่อยๆไว้หักถามทําไมเนี่ยคําถามเนี้ยนะไว้หักอะไรประมาณนั้นนะครับอินนักอินาทุนวาร์กิอามัสจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสัามาอาดัลลาห์ นี่คือวิธีการตอบของท่านอบีท่านไม่ได้ตอบตรงๆว่ามันจะเกิดวันไหนวันไหนแต่ท่านบอกว่ามันจะต้องเกิดอย่างแน่นอนมันจะต้องเกิดอย่างแน่นอนถ้าเจ้าถามคำถามนี้เนี่ยซามะอับดัลลาฮาเจ้าเตรียมอะไรบ้างอันนี้ตัางหากที่ควรต้องถาม ไอ้ที่ถามว่าจะเกิดเมื่อไหร่นี่ไม่ต้องถามก็ได้เพราะยังไงยังไงมันก็จะเกิดไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้อีกมะรืนนี้หรือหลังจากตายไปแล้วเป็นร้อยปียังไงยังไงมันก็จะเกิดคําถามที่น่าถามก็คือว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างสําหรับการเจอวันเกียร์มันคำถามไหนที่ขนถามมากกว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักถามถามว่าถ้าวันเกียร์มันจะเกิดขึ้นจริงฉันจะต้องเตรียมอะไร ท่านบดก็เลยถามกลับไปว่าเจ้าเตรียมอะไรบ้างสำหรับวันแกมัมันจะต้องเกิดขึ้นจริงแน่นอนอาราบีนะครับชาวเบดูอินคนนี้ตอบว่าอย่างไงอมาอินนีเลมออิดดเลฮาคีร่า ص ل ا วแลาซิแามฉันเนี่ยแท้จริงแล้วฉันไม่ได้เตรียมคือเป็นเป็นคนธรรมดาธรรมดา เขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนธรรมดาฉันธรรมดายัางไงฉันบอกเขาบอกเขาฉันเนี่ยไม่ได้เตรียมการละหมาดไว้เยอะแยะก็คือก็คือไม่ถึงกับขั้นคนที่ว่าละหมาดมากแล้วก็ไม่ได้ถือสินอดมากมายอะไรไม่ได้หมายความว่าไม่ละหมาดนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ถือสินอดเลยไม่ใช่ก็คือทําละหมาดครบที่เป็นวาจิบสินอดที่เป็นวาจิบก็ถือจนครบ แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นสุนัตเนี่ยทําบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับโหมนะจนกระทั่งตัวเองอยู่แต่กับการละหมาด ต, ตลอดเวลาไม่ได้ไปสนใจอย่างอื่นเลยไม่ใช่นะครับก็ใช้ชีวิตปกตินะครับใช้ชีวิตปกติละหมาดให้ครบห้าเวลาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแล้วมีก็ละหมาดสุนัตละหมาดอะไรบ้างตามที่ตัวเองมีความสามารถที่จะทํา วลาคืนี้ไม่ได้ละหมาดเยอะไม่ได้ถือสินอดเยอะแต่ว่าที่ฉันเตรียมเอาไว้ก็คือลานีอุโิบุลอฮฮลอฮ์สูและฮูแต่สิ่งที่ฉันเต็มร้อยการละหมาดสุนัตของฉันการทำความดีของฉันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่สิ่งที่ฉันเต็มร้อยก็คือฉันรักอัลลอฮ์และรักรอสูลขัพระองค์อันนี้อย่าให้ตก คะแนนความรักที่เรามีต่อ Allah คททอะแนนความรักที่เราทาที่เรามีต่อ r a ล u l ลอ l a h ﷺ อย่าให้ต่าคะแนนด้านปฏิบัติอาจจะไวมั่งไม่ไหวมั่งตอนที่เราป่วยอะไรมั่งก็ว่าไปแต่ว่าความรู้สึกในหัวใจอย่าให้ตกต่าเป็นอันขาดฉันเตรียมอะไรที่จะไปหา Allah เตรียมการที่ฉันรัก Allah และฉันรัก r a s ู l ของพระองค์ เลยดังนั้นท่านนาบีสั่งสอนว่า“แฟ น, นเจ้า”กับคนที่เจ้ารักเ ร, รารักรสูลเรารักอัลล์เวลาที่เรากลับไปหาพระองค์ในวันเกยียรติเราก็จะได้อยู่กับพระองค์จะได้เป็นพวกของอัลล์จะได้เป็นพวกของท่านนี่อนอลลออลลัลลอฮ์อ all ัลอัลฮ์อัลัลลัลอัลลอฮ์อัััอลอัอ อันส์เป็น صحاب ที ay, ่นั่งอยู่กับท่านนบีอยู่ด้วยตรงนั้นีก็เลยบอกว่าฟมาฟริังมุสลิมูนนบีเชยอินฟริ้งหุมบีฮัดละะดีฟาบายทุกคนที่หรือว่าชาวมุสลิมทุกคนที่ได้ยิน hadis นี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วที่พวกเขาจะดีใจเหมือนกับการที่พวกเขาดีใจเพราะได้ยิน hadis นี้จากท่านรอสู่ซุลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลมพวกเราดีใจหรือเปล่า นี่เป ja ็นข่าวดีข่าวดีที่อัลลอฮฺบอกว่าที่ท่านนบีสัลลัลลอฮฺสัลลัมบอกว่าใครที่รักอัลลอฮ์ใครที่รักรอซูลก็จะได้อยู่กับอัลลอฮ์จะได้อยู่กับรอซูลในวันกิยามัตถึงแม้ว่าการทํางานของเขาอามัลอิบาดัดของเขาจะไม่เท่ากับอิบาดัดของท่านรอซูลสัลลัลลอฮฺอาเลาะสัลลัมถ้าจะเอาอิบาดัดของเราหรือจะเอาอามัลอิบะดัดของเรามาเป็นเกณฑ์ชี้วัดว่าเราจะได้อยู่กับท่านนบีเนี่ย ยาอั Allah, ลลอฮ์เราจะอยู่ตรงไหนอ่ะมีซาบาบมีตบะเวนบางคนหรือเปล่านะครับที่บอกว่าฉันรักอบูบุลบาคฉันรักอุมารฉันอยากจะอยู่กับพวกเขาถึงแม้ว่าอามลอิบาดาตของฉันไม่เท่ากับของอบูบุลบาคไม่เท่ากับของอุมัรแน่นอนอิบาดาตของเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับบรรดาซาบาบคงคงไม่มีไม่เห็นไม่เห็นฝุ่นเรารักหรือเปล่า ไอ้บาดดัไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ให้ความรักของเราไปถึงอัลลอฮ์เราจะได้อยู่กับพวกเขาในสวรรค์นะครับนี่คือ hadis ที่บอกชัดเจนนะครับเป็นการตอบย้ําว่าท่านนาบีไม่ทราบว่าวันกียรติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รวมถึงไอลมุลไอย่างอื่นด้วยนะครับผู้ที่ทราบมีแค่คนเดียวเท่านั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานอัละอฮ์จินก็ไม่ทราบมาลาอิ ก, กัสก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ ถ้าหากวจะมีใครที่มาอ้างว่าตัวเองรู้สิ่งที่เร้นลับนะครับนอกจากอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ تعالى นะ عالم الغيب ف ل และนั้นเป็นผู้สิ่งรู้สิ่งเร้นลับเป็นผู้ที่รู้สิ่งเร้นลับ فلا และพระองค์ก็ไม่ได้บอกเรื่องราวที่เร้นลับเหล่านี้ให้กับผู้ใดทั้งสิ้น ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครที่มาอ้างว่ารู้สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้เอาสุบป็นไดมันได้อิลลามานิรตามิรราะซูลความเล่นลับนี่มันมีหลายอย่างในบางอายะห์ในอัลกุรอานนะครับอัลลอาตรัสว่ามฟาติฮุลไกรมฟาติฮุลไกรก็คือกุญแจไขความลับเนี่ยอย่างอยก็5ประการอินนัลลอฮะยอลามุกรบอินนัลลอฮะอลามุ อินเอเลนะซูร่าซูร่าลุกมานนะครับในท้ายของซูร่าลุกมานที่ Allah ตรัสว่าอินนัลลอฮฺให้แกลมมะฟิลอินนัลลอฮยุนซึลอินนัลลอฮฺไรใครจาได้มั้งท้ายซูรมาลุกมานเลยยอทซูร่าลุกบานนะยอทสุดท้าย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 อีกประการหนึ่งคืออะไรทั้งหมดหอย่างเรากลับไปดูนะครับในตอนท้ายอายัดสุดท้ายจากสุรุลุกมาอาลิมุลไกฟ์ فلا يظهر ع ل อ غيبه أحد ฮ ل ا من ا ر ت อันนี้เป็นการยกเว้นจะบอกว่าบางเรื่องที่อัลลอฮสัลาไม่ได้บอกคนอื่นอัลลอฮอาจจะบอกให้มักลุกของพระองค์บางคนได้รับทราบ นั่นก็คือบรรดารอซูลทำไมเรื่องเร้นลับจึงเป็ น, นเฉพาะบางอย่างนะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าบอกทั้งหมดบอกบางอย่างอย่างเช่นที่ท่านนาบีสัละลัลลอฮฺสัละละัลมเห็นสวัร์ตอนที่ท่านนาบีละหมาดกุซูฟตอนที่ละหมาดสุริยุ ป, ปราคา นะครับเมื่อวานที่เราละหมาดเหมือนือที่ท่านนบีละหมาดในสมัยของท่านเนี่ยท่านนบีเห็นทุกอย่างที่อัลลอฮฺให้เห็นเห็นสวรรค์และก็เห็นนรกนะตอนที่ท่านนบีเห็นสวรรค์เนี่ยท่านเกือบที่จะหยิบนะเดินเข้าไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็เกือบที่จะไปหยิบผลไม้ที่ที่ท่านได้เห็นแต่ท่านก็ไม่ได้หยิบแล้วพอท่านเห็นนรกเนี่ยท่านก็ถอยหลังมาสองสามเก้าอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านบอกบนดาวสหภาพของท่านเองหลังจากที่ท่านละหมาดเสร็จ อันนี้เป็นสิ่งลึกลับหรือเปล่าครับข้าพเจ้าบิดงก็งบอกว่าเราตะลนมูนามาอะลลัมละบัคัยตุมเคซิรันวลาดฮักตุมกาลีแหละถ้ า, لم, าพวกเจ้ารู้สิ่งที่ฉันรู้ถ้าพวกเจ้าเห็นสิ่งที่ฉันเห็นเจ้าจะต้งองร้องไห้อย่างมากมายและเจ้าจะต้องพวกเจ้าจะต้องหัวเราะน้อยลงอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะ Il นะอัลลบิลละฮฺมัลตัลิกลาอิลลาอิลลอหทุกวันนี้เราร้องไห้น้อยแต่เราหัวเราะเยอะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งที่ท่านนบีเห็นนะอิลลาอิลลอหนะครับต้องต้องกลับไปนี่แหละที่เราบอกว่าต้องนึกถึงวันอาคิรัฐให้มากต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิรัฐให้มากๆเหมือนกับว่าเรากำลังเห็นเพื่อจะได้ล้างหัวใจของเรานะครับอย่าให้มันแข็งกระด้าง อันนี้คือสิ่งเร้นลับที่ท่านนบีเห็นอัลลอฮ์ให้พระองค์ให้ท่านนะพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทาละให้ท่านนบีของเราได้เห็นเพื่ออะไรเพราะอะไรนะอัลลอฮ์ละเลือกบางคนเท่านั้นที่เห็นนะครับเฉพาะรัสูลมิรัสูลเฉพาะบรรดารอสูลที่อัลลอฮ์ละอิละห์จัดจอหมายถึงว่ายินยอมให้พวกเขาเห็นเพื่อเป็นมอจิจัตนะเพื่อเป็นมอจิจัตให้กับรอสูล์มอจิจัตคืออะไรเพื่อให้มันเป็นปฏิหาร ในการด่าวะในการอธิบายในการอธิบายแก่บรรดาประชาชาิคนที่ท่านจะด่าวะเมื่อท่านได้อธิบายเนี่ยก็จะได้อธิบายอย่างแ จ, จ่มแจ้งด้วยหลักฐานที่เพียอพร้อมนะครับเหมอที่ท่านนาบีอธิบายเหตุการณ์อิสรัฟเมอร์รอดเห็นภาพอิสรัฟเมอรอดเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ตรงหน้าเลยสามารถบอกได้ว่ามัสยิดิลอักษามีกี่เสาเสานั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าอัลลอฮ์บอกแต่ละไอ้ให้ท่านเห็น เพื่อเป็นมักจีสักนะครับคนอื่นจะได้เห็นว่ามูฮัมหมัดรู้จริงท่านนาบีของเรานี่ไปที่มัสยิดุลอักซอจริงๆนะครับอัลลอฮอันนี้คือความหมายนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทารไมรอซูลท่านรอซูลเนี่ยได้เห็นสิ่งที่เร้นรับบางประการไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่าเข้าใจผิดว่าท่านนาบีเนี่ยรู้ทุกอย่างเฉนะพาะบางสิ่งบางอย่างเ่ัเราต้องการให้เป็น พิกมัตของพระองค์ในการด่าวของท่านรอสูลเท่านั้นแล้วเวลาที่ให้เห็นเนี่ยก็นะครับอัลลอฮตาลาจะมีกระบวนการบางยา อ, ยาาอย่างที่เขาเรียกว่าเข้มข้นมากเข้มข้นยังไงอัลลอฮตาลาจะให้บรรดามาลาอิกตัตเนี่ยมาปกป้องอยังไงครับเนี่ยอายะห์เนี่ยซอินเนหูยัสลุคุม بين يديه ومن خلفه رصد Allah Subhanahu Wa Taala, akan seng yam, atau bodyguard, yang menjadi malaikat, mafauwahyu. Walaupun Allah Taala seng wahyu yang menjadi rahsia, seng majazat yang menjadi rahsia, kepada Rasul, tidak akan menghantar seperti biasa. ขนาดปริศนีมันยังมีเลยปริศนีธรรมดาปริศนีลงทะเบียนปริศนีอะไรนะ EMS หรือบางทีไอไอบริษัทบริษัทขนส่งมันก็มีหลายหลายร้องมี DHL มีอะไรนะ Kerry Express มั น, ม, น, ม, นมันมีหลายแบบของ Allah าลาก็เหมือนกันเวลาที่เราองค์จะส่งวะยูมาให้กับรอซูเนี่ยจะระดับ VIP จะต้องมีมาละอียอิบนาะซัีร น, นะครับได้บอกว่า นะสัยอ nah, uh, uh, ับดุล e จุเบ ik, si ียร ik si ์ส oh ัยอ ah, ับดุจุเบร์กล่าวอ ربعة พัก ن الملائكة م عجبريلولاجبريل م ันส่งวายูนี่คื่านบีของเรานี่จะมีบอดีการเอกอี่ท่านที่เป็นมาลาอีกัตเอกสท่านเพื่อมาปกป้องวายูนะเพื่อรับประกันว่า วะยูที่อัลลอฮฺสุลต่าละส่งมาให้ถึงท่านนบีเนี่ยถึงท่านนบีจริงๆไม่มีจินที่จะมาคอยขโมยมาปล้นวะยูกลางทานไม่มีวะยูที่มาถึงท่านนบีเป็นวะยูที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีการเั้เอาปนมาวสวสของชัยตอนไม่มีสุบฮานอัลลอฮฺพี่น้องครับเราเรียนอายัด น, นี้เนี่ยเราเราต้องกลับไป ไปถามตัวเองว่าไอ้ของที่มันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันเป็นของดีขนาดไหนอัลกุรอานที่อยู่กับเราเนี่ยอัลลอฮุบะฮตะลให้ความสำคัญกับมันขนาดไหนต้องการให้มันมาถึงเราแบบแบบสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะแล้วเราให้ราคามันเท่าไหร่ ทุกวันนี้เราปล่อยปะละเลยกับอัลกุรอานซึ่งเป็นวะฮยูที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอ์บ่าวตาอัละเราละเลยต่อวะฮยูกออัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนมีอะไรอีกที่จะมีค่ามากกว่าวะฮยูของอัลลอฮ์ทำไมเราถึงได้ละเลยถึงมันขนาดนี้เราเอาใจใส่สิ่งอื่นมากกว่าที่เราเอาใจใส่กับวะฮยูของอัลลอฮ์าตอลละทไมกับสิ่งอื่นกับความรู้อย่างอื่นนีเรา ให้ความสําคัญกับมันมากเหลือเกินในขณะที่วะฮยูกอัลลอฮ์เราให้ความสําคัญกับมันขนาดไหนอย่างอื่นมีไหมที่จะสู้กับวะฮิยุกอัลลอฮ์คำพีเล่นไหนบ้างที่จะสู้คัมภีของอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์ได้ทําไมเราให้ความสําคัญกับมันน้อยมากขนาดนั้นละอิลลัลลอฮมีมาเลกัตสี่ท่านแล้วมาถึงมาถึงท่านรอซูลจริงๆแล้วมาเพื่อที่จะรับประ ก, กันว่า ท่านนาบีได้เอาวะยูตรงนั้นมาบอกกล่าวแก่ประชาชนของท่านจริงๆไม่ได้เก็บเอาไว้ถึงจริงๆถึงเราไหมอัลกุรอานนี้ถึงถึงเราือเป่าอัับสุดท้ายละอะม่งกดอัลาริซาลาตีรบบิฮทงมลายกัดมาฟ้าวะยูมาท่งวะยูด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพมาก เพ <Jonas> ื่อที่ a ل l a h subhanahu wa จะได้เห็นเลี่ยกลำเลี่ยลมตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าได้รู้เห็นจริงๆนะเขาเรียกว่า ilmu mushahada รู้ด้วยการเห็นถามว่าถ้าถ้าถ้าก่อหน้าเนี่ย Allah t a a l จะรู้ไหมถ้าท่านนบีเขาเรียกว่า ilmu muasongya ilmu غيبية สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ถามว่าอลัอลลอฮฺตาลาะรู้ไหมรู้ชัดเจนอยู่แล้วอลัอลลอฮฺตาลาะก็บอกเองว่าว ah ่อาฮาตอบิมาละดายอัลลอฮฺตาลาะนี่ครอบความรู้ของพรวก น, นี้ครอบนอนครบุมทั้งหมดอย่างแต่อัลลอฮฺตาลาะต้องการเห็นที่มันต้องการเห็นว่าท่านนาบีได้ทําหน้าที่ของท่านจริงๆต้องการเห็นว่ามละอิกัสเองก็ได้ทําหน้าที่ของพวกเขาจริงๆในการเอาวะฮฺยูมาให้กับท่านรอซู และได้เห็นรอสูลส uh um. hey ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเอาวะฮยูที่มาจากอัลลอ์มาบอกแก่ประชาชิของท่านจริงๆท่านอัลลอฮ์ก็เลยต้องต้องส่งบอดิกาที่เป็นมาละอิกัตในการดูแลวะยูของพระองค์ให้มันสะอาดจริงๆอันนี้นะคือที่สุดของที่สุดยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มิะคาร์ฮัมละอิลาห์อิลลาอันท์สุบฮานะนนุนนามนอัลิม لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله นี่คือสิ่งที่เราจะต้องสำนึกว่าอัลลอฮฺ س ب ح ا ละเมตตากับเราขนาดไหนนะครับเอาคุรอานคือความเมตตาจา ก, ากอัลลอฮ์นี่เราบกพร่องมากนี่เราอ่านอายะห์นี้เราบกพร่องมากเลยเราบกพร่องในการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีราคาที่สุดในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วมากไปกว่านะครับวุฮยูุอัลลอฮุ س ب ح ะ เลยะลัมอัน قدأبلغرسالاتربهم นะครับเพื ah Muhammad, ni, oh, ่อที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะได้เห็นว่ามเลกัดได้ทําหน้าที่ของพวกเขาและท่านรอซูลก็ได้ทําหน้าที่ของพวกเขานะครับเลยะลัมตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์นักตักซสียบางท่านได้อธิบายว่าเลยะลัมตรงนี้หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อนบีคนอื่นๆเนี่ยก็รับว่ายูแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะนบีของเราคนเดียว นบีมูซานาบีฮุดนบีนุเวลาที่วัอยู่มาถึงพวกเขาเนี่ยก็จะมาแบบนี้แหละก็คือมีมาละอิกั์เฝ้าวัอยู่ไม่ให้โดนชัยตอนมามาฉกเอาไปเวลาที่ชัยตอนเอาเอาเรื่องเร้นลับที่เราส่งมาให้กับกับรอซูลไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปดัดแปลงจะเอาไปโกหกจะเอาไปเพิ่มจะเอาไปลดเพื่อที่จะเอามามาขายในตลาดอย่างที่เราบอกแล้ว ตลาดอะไรตลาดนักศยศาสตร์ที่มาซื้อข้อมูลพวกนี้จากพวกจินอัลอฮุซุลเลิฮิมานซาเลมนะนะเพราะฉะนั้นบางนักตักซีรบอกว่าเพื่อให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวาลลอฮิสสลามได้รู้ว่าได้ยากเกินนะครับว่าวายูที่มาถึงท่านเนี่ยคนสมัยก่อนรอซูลสมัยก่อนก็รับเหมือนที่ท่านรับมาจริงๆนะครับมีหลายหลายหลายทัศนะนะครับในบรรดานักตักซีรบางก็บอกว่าเพื่อให้เรานี่แหละได้รู้ นะครับว่าราสูลท่านราสูลสุลลัลละเลวัลัลลมและก็บรร ด, ดาราสูลทุกคนทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างดีที่สุดใครยังไม่รู้ก็รู้ซะนะใครยังไม่รู้ก็รู้ซะวันนี้เลยว่าท่านรัสูลของเราทำหน้าที่ร0อแลปวเซนของท่านหน้าที่ในการให้วายูเนี่ยท่านทำหน้าที่ได้จบและ้ะมันเหลือหน้าที่ของเราแล้วตอนนี้เราบอกไปแล้วหน้าที่ของรัซูลชี้แจง ให้เราทราบส่วนหน้าที่ของเราคืออะไรรับการชี้แจงรับการบอกเล่านี่เรารับหรือยังแล้วเราทำตามที่เราทราบปรีย่ยังถ้าเราไม่รับต้องรับเสียวะมันยสัสซิลล่าฮะวะรัซูละห์นะข้อความน้านี้ที่เราเรียนวัดใครที่ปฏิเสธวะฮยูปฏิเสธสิ่งที่ท่านรัซูลเอามาก็จะได้อยู่ในรกบนะอุบิดบละ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا لتعلنًا ทรงครอบคลุมทรงไม่มีอะไรที่หลุดรอดไปจากพระองค์ได้เลยแม้แต่น้อยแล้วก็ وأحصى كل شيء عددا เพื่อให้รู้ว่า a ลอ a h ทรงมีความรู้ที่ครอบคลุมห้อมล้อมพวกเขาทั้งที่เปิดเผยและปกปิดในเรื่องบทบัญญัติและข้อตัดสินต่างๆ ไสไม่มีสิ่งใดที่หลุดรอดไปจากพระองค์อลอฮะทรงคิดคำนวณทุกสิ่งอัลลอฮ์แต่าละรู้แล้วก็อัาลลอฮ์ละก็จดบัญชีอ้อซอหมายถึงจดเก็บรายละเอียดทุกอย่างนอกจากจะรู้แล้วเนี่ยพระองค์ยังเก็บอเอาไว้มันดับเบิลเลยพระองค์มีบัญชีของพระองค์อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราสุดฮะอัลลอฮ์ บางทีเวลาที่เราเอามาเปรียบเทียบกับกระบวนการที่มนุษย์ใช้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเห็นไหมฮะเวลาที่บริษัทใหญ่ๆเอาจะเปรียบเทียบกับบริษัทส่งของเมื่อกี้ก็ยังได้เอาลองเปรียบเทียบกับบริษัทส่งของเวลาที่บริษัทส่งของเขาส่งของมาให้เราเนี่ยรู้และก็มีการจดบันจดบันทึกเอาไว้ด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีระบบอะไรนะเเรียว่าระบบอะไรนะเอ อ, อเรียว่าอะไรนะ เอ่อ uh, track track and trace นะใครที่เคยใช้เขาจะมี track and trace ด้วยมีบาค c o d e นะสามารถที่จะติดตามได้ว่าของของเราถึงไหนถึงไหนถึงไหนขนาดมนุษย์เนี่ยนะสมองของมนุษย์ยังคิดระบบนี้ได้นับระษาอะไรกับระบบของ a l l a ะระบบของ Allah ก็ยิ่งกว่านั้นอีกรู้แล้วก็ track ได้มีบัญชีครบทุกอย่าง มนุษย์ทําอะไรวะอยู่มาถึงเมื่อไรใครสุภานั่นแหละมีเพราเรียกว่าทํางานงานของล l l a h เนี่ยเป็นงานที่มีคุณภาพกิจตกรนะครับมีความประณีตทุกอย่างการสร้างสรรค์ของ Allah سبحانه แล ะ, ะ تعالى สร้างดุนยาสร้างโลกสร้างดวงอาทิตย์สร้างระบบสุริยะจักรวาลไม่มีอะไรที่จะเหนือประณีตไปกว่าการสร้างสรรค์ของ Allah سبحانه แล ะ, ะ تعالى ในเชิงในเรื่องของการสร้างมัคลุ ในเรื่องของการบัญญัติฮุกกลมต่างๆอัตชีร์นะบัญญัติฮุกกลมการละหมาดการถือศีลอดการห้ามชิริกการห้ามซีนาการห้ามต่างๆก็ประนีไม่มีอะไรจะประนีไปกว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กระบวนการการดาวะกระบวนการให้รอซูรับหน้าที่ในการทํางานด่าวะก็ประนีมากกระบวนการส่งวะยูมาอย่งไง การสั่งให้เราซูทํางานยังไงไม่มีอะไรที่จะประนีไปกว่ากระบวนการที่อาัลลอฮ์ทรงตรัสอะไรได้สอนเราซูทเขาเพราะฉะนั้นให้เราเอาบทเรียนจากเรื่องนี้ด้วยนะครับให้มีความประนีในการทํางานนะมุสลิมควรจะต้องเป็นคนที่มีความประนีในการทํางานนะเพราะว่าอิสลามสอนให้เรามีความประณีนะไม่ใช่พอเป็นมุสลิมทํางานก็บอกว่าคนมุสลิมแล้วไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีระเบียบนะครับไม่ค่อยมี ไม่ค่อยไม่ค่อยทั้งนั้นเลยทั้งเพเลยน้องสุภินละ ท, ท, ทั้งที่มุสลิมเป็นคนสร้างอรารยธรรมนะครับทําไมนะมุสลิมยุคหลังๆถึงถึงตกต่ำนะครับทั้งนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้เอาอิสลามออกมาใช้ในชีวิตของเราจริงๆนะประณีตขนาดไหนพี่น้องครับในสุนนะของท่านนาบีสโลโลห์อัลลอฮ์สัลลัมเนี่ยแม้กระทั่งการใช้น้ําท่านนาบีก็ยังมีคําสั่งให้เราประหยัดในการใช้น้ํำ ต, าาตั้งตั้งในแม่น้ำ ولو كنت على ในวัดูนะครับ ولو كنت على หนังร์นจรนบางครั้งครั้งหนึ่งท่านนาบีเห็นสาาาหายบางคนเนี่ยอาบน้ําประมาดแบบแบบเปลือง น, น้ํา <c oughs> พวกเราเนี่ยถ้าท่านนาบีอยู่สงสัยคงได้ตักเตือนทุกวันเปิ <laughs> ดน้ํา <laughs> ป<บ>ูแล้ว <laughs> ป<บ> <laughs> ูสุ ح ا ن อัลลอฮ์ท่านนาบีอาบน้ํำละหมาดน้ําไม่เกินหนึ่งลิตร อด้แล้วค่วอีหะเราอาบน้ำละหมาดครั้งหนึ่งใช้น้ำเท่าไหร่อาบน้ำละหมาดไม่เกินหนึ่งลิตรอาบน้ำวัจิบไม่เกินหนึ่งกันตั้งสี่ลิตรเยวอัลลอฮนี่เราจะโดนลงโทษหรือเปล่าเนี่ยฮะท่านนักบุบอกวา่าจงประหยัดในการใช้น้ำอาบน้ำละหมาดแม้กระทั่งว่าเจ้าเนี่ยอาบน้ำละหมาดอยู่ในแม่น้ำก็ตาม ประีตั้มครับคำสอนของอิสลามเราไม่ได้ใช้อิสลามเราก็เลยเป็นคนไม่ประณีตไม่มีระเบียบในตัวเองหนึ่งในคุณลักษณะของมุสลิมก็คือสิบประการนะรที่เราต้องมีระเบียบในตัวเองต้องมีระเบียบในตัวเองต้องรู้จักบริหารเวลาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนมีความประนีตแต่เราไม่ได้ตามนะครับบอกว่านะครับอายัดนี้สอนการบริหารตัวเองด้วยนะอาย สุดท้ายจากสุราตุลจินจบแล้วครับวันนี้สุราตุลจินจบแค่นี้แน่นอนว่าสุราห์นี้นะครับมีมีประโยชน์หรือ ว, ว่ามีบทเรียนหลายอย่างนะครับผมดูท afsir ของของอิบซาดีนี่ท่านบอกว่าท่านสรุปนะบทเรียนจากสุราตุลจินหลายประการหลายข้อนะครับหลกักๆเกหลกัหลกๆเลยนะครับท่านบอกว่าสุราอัลจินเนี่ยมี ف و อ ئ د ค ثير อมีบทเรียนเยอะมากมิีเหตุวูดุลจิน นะสอนให้เรานะเป็นการยืนยันว่าจินมีจนะริงโซโลห์นี้เป็นโซโลห์ที่พูดถึงจินนะครับแล้วก็พวกจินเนี่ยมันถูกถนะูกสั่งใช้เหมือนกับที่มนุษย์นั้นก็ถูกสั่งใช้เช่นเดียวกันแก ล, ลานนาักเหกมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันวะมินฮะอันน์ราะอันน์ราะสลอัลลอฮ์ซลละฮุตั้ละฮุยัลลัมราะสูลุอิลลัลจินคัมฮะวะราะสูลุอิลัลอินซท่านราะูลเนี่ข้อที่ทสอข้อที่สงก็คือท่านนบีนี่ถูก มนุษย nah, nah, ah so uh, ul ์คร uh. e, ับว่ามันนี่ซึ่งเรื่องนี้มีานอ่านอยู่ و ่ามิ اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به س ุรษนี้ซาร์รูรัว الله ะ ع ا ลานั้นเอาใจใส่ท่านรมากเอาใจใส่วะยูของพระองค์มากให้วะยูที่ถูกส่งมาเนี่ยได้รับการปกป้องนะครับได้รับการให้มันมาถึงพวกเราจริงๆนะคับนี้บทเรียนจากสุรษนี้ว่ามิ ش د حرص الجن استماع الرسول และาราซลละห์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ั่จะาสัมละฮ์ัลละฮทัลละฮทั an, isha, ha, ่ละฮ์ ew, isha, awa, ah i, ke ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮกัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮ์ัลละฮอัลิะฮ์ัลละฮ ق ็ได้เฉลี่ยแล้วเรื่องของเรื่องที่เราพูดถึง ه รื่องของเรองที่เราพูดถึงเ่องของเรื่องที่เูดถึงเร่องขององที่เราพูดถึงเรื่องของเรื่องที่เราพูดถึงเรน่องของเรื่องี่เราพูดถึงเรื่องของเร่องที่เราพูดถเร่อกขเร่งที่เราพด่องเ่ที่เราพูดถร่องของเท่าพรืออรื่องท่ามูดถึงเ่องขอือี่ดือองี่อที่รางให้ทวนนะครับว่าพือองเรือที่าดร่างของเรื่ีู่เร แล้วก็เป il ็นการห้ามไม่ให้เราชีริษไม่ให้เราชีริษกเฉพาะกับจินกับสิ่งรึนลับกับพวกหมอดูกับพวกวิยศาสตร์กับเรื่องที่บรรดาคนที่อ้างว่ารู้สิ่งเลึนลับสิ่งที่เป็นอะไรนะครับลเอ๋อฮ์อัลลอฮ์วะมินฮะ أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها นะครับสิ่งที่เป็นเรื่องร้นลับนั้นมีแต่ Allah เท่านั้นที่ทราบนะครับมนุษย์คนอื่น ว่าลูกคนอื่นไม่มีใครทราบนอกจากมันดารสู้ที่อัลลอ์ลทรงเปิดเผยเรื่องเร้นลับบางส่วนให้เป็นมจิตในการทางานดะล์ของพวกเขาเหล่านั้นในตัฟซีอีกตัฟซีหนึ่งนะครับก็สรุปเอาไว้อย่างสวยงามมากเหมือนกันนะครับท่านบอกว่าคาซาขัตลนาซูระทุลจินัลคีระ์มันละหะรัย์ที่ทัตัลลักว์บ والأخلاق والسلوك والأفكار التي طغى كثير منها على ا ل أ ق و ل والأفهام سورة ا ل ج ن ได้ให้บทเรียนกับเรามากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ خ ل ا ق ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดแนวคิดต่างๆซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยบางอย่างความเชื่อบางอย่างแนวคิดต่างๆเนี่ยบิดเบือนอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะครับนี่คือสุราจินซึ่งเราก็ ส่วนานัลล่นเหรอจากการที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นโซลาร์จนถึงปิดท้ายโซลาร์นี้เราก็เห็นชัดว่ามันปรับมโนทัศน์ความการมองบา ง, บางสิ่งบางอย่างข้อเท็จจริงบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับให้เราเข้าใจถูกต้องอย่างไงนะครับลองลองปรับไปทบทวนดูนะครับว่าโซลาร์นี้สอนสอนหรือว่าปรับทัศนคติของเราเกี่ยวกับอารยธรรมที่ถูกต้องเอาไว้อย่างไรบ้าง นะครับอินชาอัลลอฮ์ س ب ح ะ تعالى alhamdulillah นะครับที่อัลล์ ا ن ะ ل ได้ให้เรานะครับได้เรียนสุราห์นี้จนจบหวังว่าเราจะได้รับอะไรบ้างแค่นี้ก่อนนะครับรับประัน ي ك م لما يحب ض و ر ض ى الله تعالى ع ل م ص ل الله نبينا محمد ع ل ى آله و ص ح وسلم سبحان ر ب ي ر ب العزة ما س ف و ن س ل ا م على ا ل م س ي ن و ا ل ح لله ب ا ل ا ل م السلام ع الله